ขอคอสตูของสมาธิสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้ไม่ใช่สมาธิแต่เป็นปฏิปักษ์เป็นสตรูของสมาธิเป็นสิ่งที่ต้องกําจัดเสียจึงจะเกิดสมาธิได้หรือจะพูดว่าเป็นสิ่งที่ต้องกําจัดเสียด้วยสมาธิก็ได้สิ่งเหล่านี้มีชื่อเฉพาะเรียกว่านิวรณิวรณ แปลว่าเครื่องกีดกั้นเครื่องขัดขวางแปลเอาความตามหลักวิชาว่าสิ่งกีดกั้นการทำงานของจิตสิ่งที่ขัดขวางความดีงามของจิตสิ่งที่ทอนกำลังปัญญาหรือแสดงความหมายให้เป็นวิชาการยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในกุศลธรรมทําฝ่ายชั่วที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณความดีหรืออกุศลธรรมที่ทาจิตให้เศร้าหมอง และทำปัญญาให้อ่อนกำลังในรุกขสูตรอาวรณานีวรณสูตรและนีวรณสูตรสังยุตตนิกายมหาวาระวัชแสดงคำอธิบายลักษณะของนิวรนที่เป็นพุทธพจน์มีว่าภิกษุทั้งหลายทำห้าประการเหล่านี้เป็นเครื่องปิดกั้นกุศลธรรมเป็นเครื่องห้ามความเจริญงอกงาม ขึ้นกดทับจิตไว้ทำปัญญาให้อ่อนกำลังเป็นอุปกิเลสแห่งจิตเป็นสนิมใจหรือสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองทำปัญญาให้อ่อนกำลังทำห้าประการเหล่านี้เป็นนิวรนทำให้มืดบอดทำให้ไร้จักสุทำให้ไม่มียานสร้างความไม่รู้ทำให้ปัญญาดับส่งเสริมความขับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพานนิวรณ์ห้าอย่างนี้พึงระวังอย่านำมาสับสนกับสมถะหรือสมาธิหากพบที่ใดพึงตระหนักไว้ว่านี้ไม่ใช่สมถะนี้ไม่ใช่สมาธินิวรณ์ห้าอย่างนั้นคือหนึ่งกามฉันทะหรืออภิชานิวรณ์ห้าที่มีอภิชาเป็นข้อแรกมักบรรยายไว้ก่อนหน้าจะได้ฌาน สวนิวรณ์หที่มีกามาฉันทะเป็นข้อแรกมักกล่าวไว้เอกเทศและระบุแต่หัวข้อไม่บรรยายลักษณะกามฉันทะความอยากได้อยากเอาแปลตามศัพท์ว่าความพอใจในกามอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้หรือจ้องจะเอาทั้งกามฉันทะและอภิชาก็หมายถึงความอยากได้กามคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะ ที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจเป็นกิเลสพวกโลภะจิตที่ถูกล่อด้วยอารมณ์ต่างๆคิดอยากได้โน่นอยากได้นี่ติดใจโน่นติดใจนี่คอยเควยออกไปหาอารมณ์อื่นครุ่นข้องอยู่ย่อมไม่ตั้งมั่นไม่เดินเรียบไปไม่อาจเป็นสมาธิได้นิวรณ์ข้อที่สองพยาบาทความขัดเคืองแค้นใจ ได้แก่ความขัดใจแค้นเคืองเกลียดชังความผูกใจเจ็บการมองในแง่ร้ายการคิดร้ายมองเห็นคนอื่นเป็นศัตรูตลอดจนความโกรธความหงุดหงิดฉุนเฉียวความรู้สึกขัดใจไม่พอใจต่างๆจิตที่มัวกระทบนั่นกระทบนี่สะดุดนั่นสะดุดนี่เดินไม่เรียบไม่ไหลเนื่องย่อมไม่อาจเป็นสมาธินิวรณ์ข้อที่สาทีนัมิทธะ ความหดหูและเสื่องซึมหรือเซ็งและซึมแยกเป็นถีนะาความหดหูห่อเหี่ยวถดถอยระยอท้อแท้ความซบเซาเหงาหงอยและเหียที่เป็นอาการของจิตใจกับมิทธะความเสื่องซึมเฉยเฉาง่วงเหงาอืดอาดมึนมัวตื้อตันอาการซึมซึมเฉาเฉที่เป็นไปทางกายท่านหมายถึงนามากายคือกองเจตสิก จิตที่ถูกอาการอย่างนี้ครอบงำย่อมไม่เข้มแข็งไม่คล่องตัวไม่เหมาะแก่การใช้งานจึงไม่อาจเป็นสมาธิได้นิวรณ์ข้อที่สอุทธจกุกุจจะความฟุ้งซ่านและเดือดร้อนใจแยกเป็นอุทธะความที่จิตฟุ้งซ่านไม่สงบสายพร่าพร่านไปกับกุกกุจะความวุ่นวายใจรำคาญใจระแวง เดือดร้อนใจยุ่งใจรุ่มใจกังวลใจจิต ท, ที่ถูกอุตจักกุกจะครอบงำย่อมพลานงุ่นง่านย่อมคว้างไปไม่อาจสงบลงได้จึงไม่เป็นสมาธิมิวรณข้อที่5วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยได้แก่ความเคลือบแคลงไม่แน่ใจเกี่ยวกับพระาศาสดาพระธรรมพระสง์เกี่ยวกับศิกขาเป็นต้น พูดสันส้นๆว่าคลางแคลงในกูรูศรธรรมทั้งหลายตกลงใจไม่ได้เช่นว่าธรรมนี้สมาธิภาวนานี้มีคุณค่ามีประโยชน์กวรแก่การปฏิบัติหรือไม่จะได้ผลจริงไหมคิดแยกไปสองทางวางใจไม่ลงจิตที่ถูกวิจิกิจฉาขัดไว้กวนไว้ให้ค้างให้พร่าให้ว้าวุ่นลังเลอยู่มีแต่จะเครียด ไม่อาจแน่วแน่เป็นสมาธิ